เรื่องการรมเหงื่อสมัยนั้นท่านพระปิลินทวชชะอาพาธเป็นโรคลมตามอวัยวะภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตการเข้ากระโจมรมเหงื่อ